แม่เศร้าแม่เฝ้าระวังเลือดไหลเผ็ดหวานมันเปรียวแม่เคี้ยวแล้วยังต้องคายกลัวเผ็ดจะไปทำร้ายทำร้ายสายเลือดในครน ลูกเกิดมาแล้วเหมือนแก้วใจเรือดรินยุ่งายแม่ปัดแม่ไกวแม่กันลูกหิวคอยป้อนลูกร้อนพัดวีให้พลันแม่เฝ้าเป็นคืนเป็นวัน บุญคุณนั้นแม่ไม่ทวงย่างสู่ไวเรียนแม่เพียนหาเงินส่งให้บางทีนั้นเงินที่ได้จากยืเงือใครและน้ำตาร่วงผิดถูกชั่วดี ชี้ให้รู้ทั้งปงวงโตแล้วแม่ยังต้องห่วงเฝ้าห่วงลูกดังชีวตนี่คือรักแท้ของแม่เราจะได้ลา เทียบเท่าบุญคุณแม่นี้ครอฟาลาจบบุญาค่าที่มีถ้าเทียบคุณงามความดีครอฟนี้แม่ก็เทียม